บทที่29ไปเมืองบางกอกกอล้านชายออกจากบ้านยายถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าไอ้หนูเองสวดกรณียาเมตสูตรได้หรือยังได้ครับ แต่ไม่ครบสูตรสักหนึ่งในห้าเห็นจะได้นมน้อยตอบตามจริงเคยได้ยินยายสวดอยู่ทุกวันหากก็ไม่ได้สนใจจดจำยายลืมกวดขันเองในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่นั่งไปในเรือทิดพองช่วยสอนลูกด้วยนะคนเป็นแม่ยายบอกลูกเคยตกลงครับแม่ผมจะจัดการจดให้เขาด้วยเรื่องนี้แม่ไม่ต้องห่วง บิดาหนุ่มจะรับคำหนักแน่นเองต้องจำให้ได้นะไอ้หนูสูตรนี้สำคัญมากเชียวแหละสำคัญยังไงครับยายหลานชายถามเพราะสามารถปกป้องคุ้มครองเองจากภัยอันตรายต่างๆได้เนี่ยถ้ามีเวลายายจะเล่าถึงความเป็นมาของสูตรนี้ให้ฟังแต่จนใจที่ทำไม่ได้ประเดี๋ยวเองก็จะพลาดเรือแดงเสียเ ป, ปล่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันทิศพองช่วยเล่าตอนที่อยู่ในเรือนะคนเป็นลูกเขยถูกสั่งงานอีกครับสามีแม่จวนรับคำยายโปรโดเขคยคนนี้มากกว่าคนอื่นๆเพราะนอกจากเขาจะตรณีทีเหนียวเหมือนยายแล้วยังเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันอีกผมจำได้ขึ้นใจตอนที่ว่าเมตันจะสัพพโลกัตสมิง มานะสัมภาวะเยอปะริมานังนะครับหลานชายพูดขึ้นตรงนี้แหละหัวใจของสูตรเลยเชียวคนที่หมั่นเจริญเมตตาย่อมปลอดภัยในทุกสถานในการทุกเมื่อใช้เป็นคาถากันผีก็ได้คนมีเมตตานั้นแม้แต่ผีก็ยังรักแล้วหมารักไม่คลับยายคนถามนึกไปถึงเจ้าโทนรักสิ ถ้าผีรักหมามันก็รักด้วยถ้าเช่นนั้นผมจะต้องสวดให้ได้ไอ้โทนมันจะได้ญาติดีกับผมหนุ่มน้อยพูดอย่างมุ่งมัน่นกลับจากบางกอเขาตั้งใจจะไปผูกมิดกับเจ้าโทนหากว่าไม่ตายจากกันไปเสีก่อนล่าลาเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วทิศพองก็พาลูกชายออกจากบ้านหนุ่มจำรัดพาน้องชายสองคนมาช่วยแบกของไปยังท่าเรือแดง ยายกับแม่จวนเดินมาส่งถึงประตูรั้วบ้านแล้วกลับขึ้นเรือนไปยืนมองเขาอยู่นอกชานหนุ่มน้อยรู้สึกอะไรอววรคนอายุย่างแปดสิบห้าด้วยว่าเคยรับใช้ใกล้ชิดมานานความรักความผูกพันวิตต่อยายดูจะมากกว่าผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองคนทั้งห้าเดินแถวเรียงหนึ่งด้วยเหตุหนทางแคบทิดพองเดินนำหน้า หนุ่มเจริญรั้งท้ายหนุ่มจำรัดและน้องชายทั้งสองอยู่กลางคนอยู่หลังสุดเดินไปเหลียวมองข้างหลังไปกระทั่งภาพของยายและมารดาเลือนหายไปจากสายตาเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้ยิ้ของปาดน้ำตาทิ้งแล้วก็เร่งฝีเท้าให้ทันคนข้างหน้า บ่ายโมงครึ่งทิดพองก็นําเด็กกรุ่นนมทั้งสี่มาถึงท่าเรือแดงนมกันเชียงรออยู่ก่อนแล้วพร้อมบิดามารดานางโบขายยกมือไหว้ทิดพองพร้อมออกปากฝากฝากังทิดข้าฝากไอ้หนูมันด้วยนะนึกว่าช่วยสมเคราะห์คนยากคนจนด้วยก็แล้วกันตาของหล่อนแดงมีน้ําตาซึมออกมาเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงหลอกบโบขาย ตราบใดที่เขาอยู่ในความดูแลของข้าข้าจะทำให้เขาปลอดภัยเท่ากับตัวข้าและลูกข้าแต่เมื่อหมดภาระแล้วข้าก็คงดูแลไม่ได้ถึงไอ้หนูของข้ามันก็ดูแลตัวเองทิดพองคิดรอบครอบแล้วจึงตกปากรับคำทิดพองคิดรอบครอบแล้วจึงตกปากรับคาข้าก็สั่งสอนมันทุกสิ่งทุกอย่าง หากมันไม่นำพาก็ช่วยอะไรไม่ได้นึกซือว่าเป็นกรรมของมันนายลานพูดปลงๆออกสังหอนใจว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเมื่อต้องลำเลียงสัมภาระขึ้นเรือทิดพองก็ติดตามทิดพองก็คิดตามประษาคนตรนีว่าหากนำของไปหมดก็ต้องเสียค่าระวงังที่นี่และค่ารถสามล้อที่บางกอ ถึงเมื่อรวมกันแล้วก็คงมากกว่าราคาสิ่งของในชลอมจึงปันให้หนุ่มจำรัดและน้องๆไปกินส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ให้บิดามารดาของนายกันเชียงพร้อมทั้งกําชับไม่ให้ไปบอกแม่ยายตนที่บางกอกมีของกินอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากเหมือนแถวบ้านเรารอกบิดาหนุ่มเจริญบอกในลานและนางบัวไข่ บ้านเราก็ไม่อดอยากนาทิดในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนขี้เกียจเท่านั้นถึงอดอยากนางบัวขายแยงข้าหมายถึงว่าคนบางกอะเขาไม่ได้มีแต่ข้าวปลากินเท่านั้นแต่ยังมีพวกผักผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะทางฝั่งทนบุรีที่ไอ้หนูของข้าจะไปอยู่เนี่ยยิ่งมีของกินมากมายอ้าวเจ้าแก่จะไปอยู่จังหวัดทนบุรีหรอกหรือ ข้านึกว่ามันไปอยู่บางกอกเหมือนไอ้โก้ของข้าในลานพูดขึ้นเขาคิดว่าบางกอกย่อมเจริญกว่าฝั่งทนบุรีแน่นอนมันไม่ไกลกันหรอกทิดลานคนฝั่งทนเขาก็มาเรียนหนังสือฝั่งบางกอกมีโรงเรียนสวนกุหลาบตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยาข้าตั้งใจจะให้ไอ้หนูมันเรียนที่นั่นถ้าเชนั้นก็ช่วยฝักไอ้โกของข้าอีกคนเด็กมันจะได้ไม่ทิ้งกัน ในลานพูดในใจเขาต้องการแข่งวาสนากับครอบครัวหนุ่มเจริญเมื่อพ่อกับแม่แข่งกันไม่ได้ก็ต้องให้ลูกกับลูกแข่งกันข้าว่าให้หลวงพี่ท่านจัดการไม่ดีหรือเพราะเมื่อพาไปฝากท่านแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของข้านอกจากว่าท่านจะมอบหมายมาใหม่ข้าไม่อยากไปก้าวไกยหน้าที่ของท่านคนรอบคอบพูด สิ่งของแกข้าก็ลืมไปเอาเป็นว่าท่าหลวงพี่ท่านมอบหมายแกก็ช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันนึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากคนจนนี่ถ้าไม่ติเรื่องเงินข้าคงจะเดินทางไปกับแกด้วยค่าเรือก็แพงเหลือเกินทั้งไปทั้งกลับก็ปาเข้าไปสองบาทแล้วไหนจะค่ารถกับค่ากินอีกละ่ะ ข้าวของที่นั่นก็แพงกว่าบ้านเรานะอะไรๆก็ต้องซื้อเข้าทุกอย่างบ้านเรายังเก็บผักข้างรัว้วหาปลาในหน้องมากินได้ข้าชอบอยู่บ้านนอกก็ด้วยเหตุนี้แหละคนระีเที่เหนียวว่าก่อนเรือแดงจะออกสักย0สิบนาทีพวกสาวๆก็มาถึงท่าเรือพวกหล่อนมีขนมและของกินติดไม้ติดมือมาฝากนมน้อยทั้งสอง ผู้ซึงจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่บางกอกนอกจากนี้ก็ยังเรียรายกันคนละห้าสตังค์สิบสตังค์ใส่ในไถยใบเล็กมาส่งให้คนละใบนางสาวมารีเป็นคนส่งให้หนุ่มเจริญส่วนนางสาวม้วยส่งให้หนุ่มกันเชียงขอให้ทิดโกะโชคดีนะจ๊ะนางสาวม้วยให้พรศบตากำหนมกันเชียงและรอนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นหน้าเขาดาคล้าผิดปกติ หล่อนคิดว่าคงจะตาฝาดไปจึงกระพริบตาสีท่ทีสามครั้งสี่ครั้งแล้วเพ่งใหม่คราวนี้ใบหน้าหนุ่มกันเชียงกลับมืดคร้ำลงไปกว่าเดิมขอบใจมากนะม้วยข้าหวังว่าจะได้กลับมาพบกับเอ็งอีกถึงตอนนั้นเอ็งอาจจะออกเรือนไปแล้วแต่ข้าจะคิดว่าอย่างน้อยเราก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสียงนั้นฟังดูเศร้าส่้อย จะหลอนอยากร้องไห้อย่าคิดไปไกลถึงปานนั้นเลยจ้ะข้าคิดแต่ว่าขอให้ทิดกลับมาบาง ม, งม่วงโม่อีกพร้อมกับความสำเร็จและข้าจะสวดมนต์อ้อนวอนคุณพระคุณเจ้าให้วันนั้นมาถึงเร็ ว, เรวสเซาน้อยพูดทั้งที่ใจนั้นคิดว่าเขาไม่มีโอกาสกลับมาณนะที่แห่นนี้อีกอะไรบางอย่างบอกหล่อนเช่นนั้น และถ้าข้าเรียนสำเร็จกลับมาเตี่ยเองจะยอมให้ข้าเป็นลูกเขยหรือเปล่านมน้อยฝันถึงอนาคตนางสาวมวยรู้สึกร้อนที่ใบหน้าตอบอ้อมแอมว่าทิดก็ลองไปพูดกับเตี่ยเอาเองเรื่องนี้ข้าไม่ออกความเห็นเมื่อลูกชายคุยกับเพื่อนหญิงค่อนข้างนานนางบัวขายจึงเดินเข้าไปหาคุยอะไรกันเรือจวนออกแล้วนะ แม้ว่าเตรียมขึ้นไปหาที่นั่งได้แล้วหลอนบอกลูกชายนึกไม่พอใจเด็กสาวที่มาแย่งเวลาควรจะเป็นของหลอนกับลูกเท่านั้นเดี๋ยวลุงพองแกก็จัดการเรื่องที่นั่งให้เองข้าขอคุยกับเพื่อนหน่อยอีกนานกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกนมน้อยบอกมารดานานแค่ไหนก็ขอให้ได้กลับก็แล้วกันข้าหวั่นใจว่าทิดจะไปตายซะที่บางกอกเท่านั้น นางสาวมวยนึกในใจเมื่อลูกชายยกมือไหว้ลานางบัวไข่ก็อบกอดพลางร้องไห้อย่างไม่อายใครๆเห็นมารดาร้องไห้หนุ่มกันเชียงพลอยน้าตาซึมไปด้วยเขารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอะไรอวรนตำบลบางม่วงหมูยิ่งนักความรู้สึกคล้ายกับว่าจะไม่ได้กลับมาที่แห่งนี้อีกแล้วเวลาบ่ายสองโมงตรง เรือแดงก็เปิดวูดเสียงดังกล้องไปทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากท่าพาผู้โดยสารห้าสิบกว่าชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองบางกอกหนุ่มกันเชียงกับหนุ่นเจริญยืนโบกมืออำลาเพื่อนเอนมื่อเรือแล่นออกมาไกลจนมองไม่เห็นเมื่อเรือแล่นมาไกลจนมองไม่เห็นพวกเขาแล้ว จึงพากันกลับเข้ามานั่งในเรือหนุ่มเจริญส่งถให้เพื่อนข้ามอบให้เองของข้ามีมากพอแล้วยายให้มาหลายสิบช่างแต่พวกเพื่อนเพื่อนเขาตั้งใจให้เองนี่นาเก็บไว้เธอข้าก็ได้เช่นเดียวกับเองนั่นแหละเขาให้ข้ามาคนละใบเขาให้มาคนละใบหนุ่มกันเชียงพูดอย่างเกรงใจรับไปเถอนะนาเอาไว้ใช้ในยามจาเป็น อย่าลืมว่าเองต้องไปอยู่วัดนะส่วนข้าไปอยู่กับคุณปูแล้วก็มีญาติพี่น้องอีกมากมายพวกเขาคงไม่ให้ข้าตกระกรรมลำบากกรอกคนชื่อกันเชียงจึงต้องรับไถ่ใบนั้นมาใส่กระเป๋ากางเกงด้วยความซาบซึ้งใจขอบใจเองมากนะแกละเราจะไม่ทอดทิ้งกันเมื่อมีสุขมีทุกข์อะไรก็จะช่วยเหลือกันถึงข้าจะจนเงินแต่ไม่จนใจเรื่องรวยเรื่องจนอย่าเอามาพูดกับข้า คนอย่างไอ้แกรลองได้คบใครแล้วก็ไม่สนใจเรื่องยากตีมีจนที่สำคัญคือข้าไม่เคยทิ้งเพื่อนเมื่อกินด้วยกันก็ต้องไปตายด้วยกันได้จริงไหมจริงสิเพื่อนเพราะอย่างนี้ข้าถึงรักน้ําใจเองนะักตั้งแต่คบกันมาข้า ย, ยังไม่เคยเห็นเอ็พูดไม่จริงกับข้าเลยสักครั้งแต่กับคนอื่นข้าไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละดีแล้ว เพราะคนที่ไม่รู้จักข้าในทุกๆเรื่องก็เห็นจะมีแต่ยายคนเดียวขนาดพ่อกับแม่ข้ายังไม่รู้เลย ว, ว่าข้าเป็นคนยังไงเขาลดเสียงลงด้วยเกรงบิดาจะได้ยินเงียบกันไปพักหนึ่งหนุ่มกันเชียงก็พูดขึ้นว่าข้าจะปวดท้องเสร็จแล้วสิสงสยัยท้องจะไม่ค่อยดีแล้วนี่ข้าจะทำยังไงบนเรือไม่มีซ่วมเสี ด, ด้วย พูดอย่างกังวลจะยากอะไรโน่นเดินไปที่ท้ายเรือโน่นข้าเห็นมีกระบุงโกยอยู่ใบหนึ่งเอ็งจะให้ข้าขี่ใส่กระบุงโกยใบนั้นหรือข้าทำไม่ได้หรอกหนุ่มกันเชียงรีบปฏิเสธใครบอกเอ็งละ่ะอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะเพื่อนเอ็งนี่สงสัยไม่เคยจะโดยสารเรือถึงไม่รู้ว่าเขาเอากระบุงโกยไว้ทำอะไรแล้วเขาไว้ทาอะไรละ่ะ เขาเอาไว้ครอบหัวนะสิเอากระบุงโกยครอบหัวแล้วก็นั่งขี่ตรงท้ายเรือนั่นแหละไกลๆเขาก็ทากันอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เอาหรอกข้ากลัวคนเห็นตูดค่ะเห็นตูดดีกว่าเห็นหน้านะเว้ยใครเ็าจะจําตูดเองได้แต่ถ่านหน้าเขาจําได้แน่เองเลือกเอาก็แล้วกันว่าจะยอมให้เขาเห็นหน้าหรือว่าขายตูด งั้นข้าขอเลือกอย่างหลังก็แล้วกันปวดจนทนไม่ไหวแล้วนุมน้อยเดินไปหยิบกระบุงโกยมาครอบศีรษะแล้วก็นั่งถ่ายทุกข์ตรงท้ายเรือเสร็จแล้วก็ใช้มือวักน้ำจากแม่น้ำมาล้างก้นโอ้ยล่งอกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เขาเดินมาหาหนุ่มเจริญซึ่งยืนหันหลังรออยู่ตรงท้ายเรือนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่า ชีวิตเป็นทุกข์ปวดหนกักปวดเบาก็ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกทั้งนั้นหนุ่มอีกคนไม่ได้ฟังเรื่องอย่างนี้จึงถามขึ้นว่าเอ็งรู้จักกับพระพุทธเจ้าด้วยหรอก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่ยายคงรู้เพราะว่าพูดถึงอยู่บ่อยๆข้าเลยจำเอามาพูดอ่ะเอ็งไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกหรือในวิชาพุทธประวัติก็มีหากข้าจำไม่ผิด ก็มีอยู่ในหนังสือข้าเคยอ่านเสเมื่อไหร่ละ่ะก็เองชวนข้าในโรงเรียนแทบทุกวันจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านพุทธประวัติกลายเป็นว่าข้าผิดคนเดียวแล้วที่เองชวนข้าละ่ะชวนไปเล่นทอยกองทําให้ข้าขโมยเงินยายทุกวันกระทั่งเงินหมดกระบอกเองไม่ไปก็ได้นี่ถ้าเองไม่ไปเสีอย่างข้าจะไปทาอะไรเองได้จริงไหม นมกันเชียงว่าเอ็งก็เหมือนกันตอนข้าชวนหนีโรงเรียนถ้าเอ็งไม่หนีข้าจะไปทําอะไรเอ็งได้สรุปแล้วก็พอๆกันนั่นแหละไม่มีใครดีกว่าใครจริงวะ่ะแล้วเราจะมาทะเลาะกันไปทําไมเข้าไปนั่งกันเถอะข้าชักเวียนหัวแล้วเซเกิดเมาเรือจะทํำยังไงกันนี่ไม่เป็นไรยายข้าเตรียมมะขามเปียกกับเกลือมาให้แล้ว ยายว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือหนุ่มน้อยทั้งสองพา ก, กันเดินไปนั่งยังที่ของตนขอนั่งริมเธอนะจวนจะอ้วกอยู่แล้วเมื่อได้นั่งหนุ่มกันเชียงก็ยื่นหน้าออกไปโกงคออาเจียนโอกโอกลงแม่น้ำหนุ่มจเจริญออกตกใจรีบรูปหลังให้เพื่อนเป็นการใหญ่ทิดพองที่นั่งอยู่ตอนริมอีกข้างหนึ่งมองมาเห็นเข้าจึงลุกเดินมาหา เมาเรือหรืออาเจียนใหญ่เลยครับพ่อเมื่อกี้ผมก็พาไปถ่ายทุกตรงท้ายเรือมาแล้วนมน้อยบอกบิดารู้สึกกังวลกับอาการป่วยไข้ของเพื่อนยุ่งละสิและจะทํำยังไงดียกยาพ่อก็ไม่ได้เตรียมมาสิด้วยบิดาหนุ่มเจริญรู้สึกกังวลยายเตรียมมาขามเปียกกับเกลือมาให้ครับบอกว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือ แต่สงสัยจะติดไปกับฉลอมที่ให้เจ้าจุบหรือไม่ก็ที่นาบัวไข่เขาเพิ่งนึกออกด้วยว่าปิดาได้ยกฉลอมที่บรรจุของกินให้หนุ่มจำรัดและนางบัวไขไปคนละสองฉลอมไม่เป็นไรหรอกลูกถึงยังไงก็กินไม่ได้เพราะมะขามเปียกจะทำให้ท้องเสียหนักข้อปีอีกประเดี๋ยวให้นอนสักพักคงหาย ไอ้หนูเป็นลมหรืออ่ะยายมียาดมมาด้วยหญิงสูงอายุที่นั่งติด ก, กับเขาพูดพรางสงยาดมให้ของฉันมียามองหญิงสาวคนนั่งผัดจัดหญิงสูงอายุส่งยาหมองให้หนุ่มเจริญรับมาพร้อมกล่าวคำขอบคุณแล้วก็จัดการเยียวยาเพื่อนพักใหญ่ๆหนุ่มกันเชียงก็หลับในท่านอนหนุนตักหนุ่มเจริญ เรือล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเปิดอูดเป็นครั้งคราวเมื่อจวนจะถึงท่าหนุ่มเจริญมองเพื่อนที่ซบหลับอยู่บนตักอย่างนึกเวทนาเพราะหนุ่มผู้นี้เคยสมบุกสมบันมากับเขาเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อถูกออกจากโรงเรียนก็ออกได้กันเขาย้ายโรงเรียนมาถึงแต่โรงเรียนเจ้าหมอนี่ก็ติดสอยให้ตามมาทุกครั้ง ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมทอดทิ้งเพื่อนผู้ซื่อสัตย์คนนี้ฟังเสียงจากคนในเรือคุยกันหนุ่มน้อยรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนเมืองสิงห์บ้างก็มาจากเมืองสองแควบ้างมาจากพิจิตรและบ้างก็มาจากปากน้ำโพคงไม่มีคนเมืองสิงห์อยู่ในเรือลำนี้นอกจากเขากับบิดาและเจโก แต่ถึงจะมีเขาก็คงไม่รู้จักด้วยว่าคนเมืองสิงมีมากมายโดยเฉพาะคนต่างด้าวที่อบพยพมาจากจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นเขตทหารนุมน้อยมองออกไปนอกลำเรือเห็นคุงน้ำไก่สุดสายตาสองฝากฝั่งมีบ้านเรือนปลูกเรียงรายไม่หนานแน่นนักบางที่ก็ไม่มีหมู่บ้านเรือแล่นไปตั้งนานสองนานจึงพบหมู่บ้านสักแห่งหนึ่ง ผู้คนในเรือหลับเพราะความง่วงหันไปมองบิดาก็เห็นนั่งหลัระงบอยู่บ้างก็นอนคอพับเอ็นไปทางคนที่นั่งข้างๆบางก็หลับน้ำลายไหล ย, ยืดเห็นคนอื่นๆพากันหลับตัวเขาเองนั่งมองแมกไม้สองข้างทางอย่างเพลิดเพลินตะวันรอนอ่อนแสงลงหนุ่มน้อยเริ่มง่วงครั้นเมื่อนึกไปถึงยายกลดับทำให้หลับไม่ลง ป่านชนิยายจะเป็นอย่างไรหนอนางจำแรงพี่สาวเขาจะดูแลยายสบายดีเท่ากับเขาดูแลหรือไม่ตั้งแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้าส7เจ็ปีนี้เขายังไม่เคยจากยายไปไกลๆเพิ่งจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทั้งจากไกลและไปนานนานจนไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายอีกยายจ๋าผมอยากกลับมา ยายอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับหนุ่มน้อยกล่ำกรวนในใจน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้สึกตัว